หลายท่านอาจจะมีเวลามาร่วมบ้างบางท่านไม่ได้มาร่วมด้วยกายแต่เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวสิ่งที่เป็นไปผ่านข่าวสารที่เราส่งสารถึงกันเรืกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบางท่านจะคิดเรื่องเวลาที่ค่อนข้างจะมีความต่อเนื่องยาว บรรทัณเราจะเวลา90วันเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเยียวยาในสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนลลายฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อในฐานะที่เป็นสิทธิ์บรรทัณก็ตั้งใจในการทําหน้าที่ของตนของตนที่ได้รับมอบหมายบางทีได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ บางทีในรับมอหมายเพราะจิตสำนึกที่ได้คำนึงถึงครูบาอาจารย์ที่มีอุปก า, าระคุณต่อตัวเองนั้นระยะเวลาเก้าสิบวันผ่านไปก็ด้วยควา ม, มราบรื่นการบางเพนแต่ละวันก็ไม่ได้ขาดระยะทาทุกวันมาถึงช่วงก่อนที่จะครบหนึ่งร้อยวันเป็นวันหลา ย, ลายท่านที่ สร้างความวังรอคอยในการที่จะหาเวลาให้กับตัวเองได้มาร่วมภาวนามาร่วมประพฤติปฏิบัติตอนท่านก็เป็นช่วงเวลาที่ได้มากราบลงพ่อแล้วก็จะได้มาตอกยำ้ำความภาคเพียรที่เราได้ให้มันก่อเกิดที่กายที่จิตของเราแล้วจิตวิญญาณส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกัน มันไม่ถูกเกี่ยแยกด้วยสภาวธรรมไม่ถูกแกยกแยะด้วยการเวลาเราระลึกรู้ขึ้นมาเมื่อใดความรู้สึกตัวก็ปรากฏจัดขึ้นมาเมื่อนั้นเราก็ให้ผลทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ระลึกรู้สติสัมปชัญญะเริ่มทางานการปรากฏตัวของสภาวธรรมที่ปดขึ้น แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นการสัมผัสแบบในช่วงเวลานั้นเองพอเรามาได้ลึกรู้ถึงอุปการะคุณของธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็มาคำนึงถึงบุคคลที่ได้รับการแบ่งปันถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับเราเบืงต้น ไม่มีใครที่จะมีบุญวาสนาถึงอนาที่ต้องรู้เองในเรื่องนี้การรู้เองเป็นหน้าที่ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่การที่รู้ตามเนี่เป็นเรื่องของสาวกรุ่นหลังที่จะต้องรู้ตามการที่เรารู้ตามเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้อาศัยคารยาธรมิรเป็นผู้ตีชี้แนะมาําลํำดับ หลวงพ่อท่านก็ได้รับการแบ่งปันจากครูบาอาจารย์มาตามลําดับมาถึงช่วงที่ท่านดำมันที่เป็นครูบาอาจารย์ท่าก็แบ่งปันในส่วนที่ท่านมีแบ่งปันแจกคนนู้นคนนี้คือเชื้อแห่งพุทธาจะไม่ได้หยุดจู่แค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องมีการกระจายตัวออกไปตามธรรมชาติของหน่อที่มันมีเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะงอกเงยกับทุกคนที่มีความได้รู้เรื่องนี้ เราจึงตั้งใจมาที่นี่ก็มาเพื่อที่จะมาแสดงออกให้มันปรากฏคือการมาดอกย้าการภาวนาที่นี่โดยอาศัยช่วงเวลานี้เป็นเรื่องหลักก็คือกิรเป็นการบาเพ็ญกุศลในเสลีละสังขารเพื่อเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่นี้ในการมาอยู่ร่วมกันเราก็ไม่มี ความตั้งใจเป็นอย่างอื่นของทุกท่านที่มาที่นี่นเป็นเรื่องเดียวกันแต่เรื่องเดียวกันที่จะเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อให้มันเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางกัารเพื่อปฏิบัติในเรื่องเดียวกันเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในระยะเวลาสิวันที่เราจะมาต่อยอดกรรมสีที่มันมีแล้วเนี่ย บางช่วงในพุทธประวัติวางตอนมีพระสาวกบางรูปที่มีโอกาสได้ไปเข้าพ่อพระพุทธเจ้าที่พระมงใกล้จะเสด็จพันธปรินิพาน <_ v ary> เพียงแค่โอวาทสั้นๆ <_ v ary> ที่มีโอกาสได้รับกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วท่านก็คีดว่าเราในโชคดีนักหนาเนาะ ที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมในสํานักของพระศาสดาที่ยังชงทรงพระชนอยู่ฉะนั้นเราเลยจะประมาทในช่วงการเวลานี้เราจะต้องรีบพ้นขวัยในการเข้าไปบําเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ปลี่ตัวจากพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปดี่บำเพ็ญเพียรในช่ ว, นวลานั้นถ้าก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในขณะนั้นก็มีดั่นคือการปาราเหตุ ที่มันเกิดเฉพาะหน้าแล้วก็ควขวายในการที่จะบําเพ็ญประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นในการบําเพ็ญควนขวายประโยชน์ตนลักษณะนี้พุทธเจ้าทรงเสด็จเสืส่อว่าเป็นปฏิบัติบูชาแลนั่นการปฏิบัติบูชานี้เองจึงเป็นช่วงเวลาที่มันห ล, ลายๆอย่างที่มันจะทำให้เราเกิดไปอกฤดอกิสํานึกที่มันเป็นเรื่องที่มัน อยู่ในตัวเราให้มันเกิดความตื่นตัวขึ้นมาในการที่จะมาประกอบความเพียรบำเพ็ญเพียรโดยปรารบเรื่องนี้เรื่องที่เราต้องปฏิบัติเพื่อบูชาแล้วก็เพื่อที่จะให้เข้าถึงประโยชน์แห่งตนที่จะพึงเข้าถึงในช่วงในเวลานี้แั่นในช่วงนี้เป็นช่วงที่สตีราหลวงพ่อก็อยังปรากฏ อ, อยู่ให้เราได้พิจารณาเฉพาะหน้า จะน้อมเอาส่วนใดเข้ามาก็ได้สร้างตนที่เป็นคําสอนที่ท่านได้ฝากไว้ทั้งส่วนที่เป็นศัลธรรมที่หลวงพ่อได้ประสบก่อเราถ้าเราน้อมมาเพื่อที่จะมาเป็นตัวเป็นองค์ประกอบในการที่จะตุ้นความเพียรเป็นการเจริญบรณนุสติในระหว่า น, นี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนั่นในโอกาสที่มาร่วมกันก็เป็นเวลาที่ดีที่งามที่เราจะต้องเริ่มต้นกันในวันนี้ แล้วก็จะได้แนวทางในการเป็นอยู่ร่วมกันว่าในการอยู่ร่วมกันของหมู่ชนเนี่ยควรจะมีการวางท่าทีอย่างไรวางใจอย่างไรส่วนที่มันจะแสดงออกทั้ง3มส่วนทั้งกายทวารทางกายวิจิตวารทางวาจาแล้วก็มโนุทวารทางใจเราควรจะวางท่าดีอย่างไรที่มันจะเป็นประโยชน์ตน ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในชว่วงนี้แล้วก็จะเป็นการน้อมเพื่อบูชาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะนั่น